เรื่องผลของปานาติบาตเรื่องนี้ผู้เล่าและท่านอาจารย์วันได้ฟังด้วยกันที่วัดป่าบ้านหนองผือแต่เหตุเกิดที่เชียงใหม่เอ็ดมาจากการเข็นฆ่ากันเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองบางท่านคงได้ยินว่าสิทธิ์ของท่านติดตามหาท่านไม่พบท่านหนีเข้าป่าลึกจนสิทธิ์ตามไม่ถึงท่านว่า ได้ยินข่าวภายนอกน้อยมากเพราะไม่มีคนไปถึงคงพิจารณาทำตามปกติวันหนึ่งขณะทำสมาธิอยู่จนจะสว่างปรากฏว่าท่านยืนอยู่บนที่สูงจะเป็นบนดินบนภูเขาบนอากาศก็ไม่ใช่คล้ายยืนอยู่บนก้อนเมฆมองดูรอบทิศเห็นเตาไฟมีหม้อใบใหญ่ไฟแดงฉานทั้งเตาทั้งหม้อใบใหญ่ บรรจุวัตถุได้มากหากเป็นมนุษย์ก็เป็นร้อยๆคนแต่ละลูกแดงฉานทั้งเตาทั้งหม้อแต่มีเปลเวลไฟบ้างไม่ถึงกับบางวัตถุที่อยู่ในหม้อนั้นท่านกําหนดพิจารณาจึงรู้ขึ้นมาว่านี่คือทหารที่ตายในสงครามผ่ากันมาตกนรกแออัดกันอยู่อย่างนี้พิจารณาดูแต่ละหม้อไม่ได้เลือกชาติว่าชาตินั้นต้องตกหม้อนั้น ชาตินี้ต้องตกหม้อนี้ตกรวมกันหมดแต่ละหม้อแออัดก็จริงดูเหมือนเต็มแล้วแต่พวกที่ทยอยกันมาก็ยังตกได้อีกถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มท่านว่าท่านพิจารณาต่อไปว่าเขาเหล่านั้นรู้สึกตัวไหมรู้สึกทุกคนต่างก็ปรับทุ ก, กันว่าพวกเราไม่น่าเลย เป็นเพราะนายแท้แล้วนายเล่านายยังไม่ตายถ้าตายแล้วก็นายจะลงไปลึกกว่านี้ชนิดพวกเราตามไม่ติดพวกสัตว์นรกเขาพูดกันเหมือนพูดเล่นท่านว่าลักษณะทหารแต่ละคนไม่มีอาวุธมีแต่เครื่องแบบแต่ละเอียดมากขนาดกระทานรกที่เรามองเห็นเต็มแล้วลงได้อีก ชนิดถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มพอท่านเห็นเหตุดังนั้นจึงมาพิจารณาตามหลักแห่งสังสารวัตรหรือทุกเนวตตะได้ความว่าสัตนาด้วยราคะโลกฉิบหายด้วยไฟสัตนาด้วยโทสะโลกฉิบหายด้วยลมสัตนาด้วยโมหะโลกชิบหายด้วยน้ำ ท่นมาเฉลียวใจว่าสัตว์นาด้วยราคะโทสะโมหะแล้วทำไมผู้ชิบหายจึงเป็นโลกทำไมจึงไม่เป็นสัตว์ชิบหายเล่าท่านอธิบายย่อๆว่าราคะโทสะและโมหะนั้นเป็นผลของอวิชชาคือสมุทัยสัจจะที่กล่าวไว้ในธรรมจักว่ากามตัญหาภวะตันหาวิภวะตัญห า, า, ญหาก็คือราคะโทสะโมหะ อันเป็นผลมาจากอาวิชานั่นเองตัวเหตุคืออวิชารอบงํามจิตสันดานของสัตว์เป็นผลให้สัตว์เกิดราคะโทสะโมหะทั้งสัตว์ทั้งโลกก็ชิบหายคือกระทบกระเทือนไปหมดทั้งภายนอกคือสัตว์และโลกทั้งปวงทั้งภายในคือจิตสันดานของสัตว์แสดงออกมามีแต่ชิบหายกับชิบหายอย่างเดียว หมายเหตุผู้บันทึกเสียงสำหรับเรื่องทหารตกนรกนั้นไม่ใช่ว่าต้องตกทุกคนนะครับในที่นี้ท่านน่านจะหมายถึงโดยมากจะไปนรกหรือพูดถึงทหารกลุ่มนั้นเวลานั้นเท่านั้นตามหลักกรรมทุกอย่างอยู่ที่เจตนาศีลธรรมบุญบาปที่เคยสะสมไว้กับจิตก่อนตายที่จะประมวลเป็นผลสรุปว่าตายแล้วจะไปไหน เหมือนที่พระไตรปิฎกกล่าวถึงเพชฌฆาตที่ทำตามหน้าที่ฆ่าคนไว้จานวนมากก็ตามก็บรรลุเป็นพระอริยะหรือตายแล้วไปสวรรค์ได้เช่นกันทหารที่ทำตามหน้าที่ทำเพื่อปกป้องประเทศไม่ได้มีความสาใจในการฆ่าฆ่าเพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อรักษาชีวิตส่วนรวมกับผู้ที่มารุกรานและปกติมีจิตเมตตาเป็นผู้มีศีลสะสมบุญไว้มาก กนตายจิตไม่อาฆาตแค้นให้อภัยกับคนที่ฆ่าเขาได้ก็มีโอกาสไปสุขติภูมิได้แต่แน่นอนว่าผลแห่งการฆ่าแม้ไม่เจตนาแม้ทําตามหน้าที่ก็อาจส่งผลให้เมื่อเกิดใหม่อาจมีปัญหาสุขภาพและอายุสั้นได้ซึ่งเรื่องของกรรมมีปัจจัยลดทอนหรือส่งเสริมกันที่เราก็อาจคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะแต่ละคนนั้นเกิดมาหลายแสนชาติ สะสมบุญบาปไว้ต่างกันเราจึงอาจจะได้เห็นคนทําดีและกำลังได้รับผลร้ายหรือคนทําชั่วกำลังได้รับผลดีเลยทําให้คนจํานวนมากกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดไปว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วแต่กลับได้ดีการได้อาชีพที่ต้องฆ่าคนก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เคยสะสมไว้คล้ายกับหนานิรยาบาลนะครับที่แม้มีบุญแต่ตอนเป็นมนุษย์ สะสมจิตที่สาใจและตั้งจิตปรารถนาอยากทําโทษคนชั่วตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายในชีวิตประจำวันเช่นเวลาเราดูข่าวนะครับเมื่อเจอคนทําผิดก็อาจคิดว่าถ้าเป็นเราหน่อยนะจะกระทืบให้ตายเลยหรือพอใจที่ได้เห็นคนทําร้ายคนชั่วอยากให้ทําร้ายคนพวกนี้หนั ก, นกจิตแบบนี้เมื่อถึงเวลาจะนาไปสู่อาชีพหรือภพภูมิสภาพแวดล้อมที่จะได้ลงโทษทาร้ายคนชั่วอย่างที่เคยพอใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะกลายเป็นคนโหดเหี้ยมและสนุกกับการฆ่าในอนาคตและผลที่สุดก็คือการทำร้ายคนชั่วด้วยพอใจสาใจในที่สุดจะดึงไปเกิดในอบายภูมิได้ง่ายมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังติดนิสัยนี้แบบถอนได้ยากก็อาจเผลอฆ่าหรือทำร้ายคนหรือสัตว์ด้วยคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สร้างเวรกรรมให้ตัวเองต้องไปรับผลแห่งกรรมต่อไปไม่จบสิ้นนะครับด้วยเหตุนี้อา น, นิสงส์งของการเจริญเมตตาจึงมีผลมากและส่งผลยาวนานเพราะเหมือนป้องกัน ร, รอจากอบายภูมิได้ดีที่สุดเป็นเหตุให้รักษาสิ่งได้ง่ายและมั่นคงกว่ามากการฝึกให้อภัยและวางอุเบกขาในกรรมของสัตว์โลกจึงจาเป็นและสาคัญมากที่ควรใส่ใจทาให้ได้ก่อนตาย เพราะมนุษย์เป็นพบเดียวที่ศึกษาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจง่ายที่สุดแน่นอนว่าคนที่ไม่เข้าใจหลักกรรมที่ให้ผลข้ามภพชาติได้ย่อมยากที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้จริงเวลาเห็นคนชั่วทำชั่วถ้าเข้าใจหลักกรรมกันจริงศรัทธาในกฎแห่งกรรมจริงเราจะวางอุเบกขาได้ง่ายกว่านะครับเพราะรู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องได้รับผลนั้นแน่นอน ต่อให้ไม่มีใครลงโทษกฎแห่งกรรมก็จะลงโทษให้ได้รับทุกสาหัส ด, ด้านใดด้านหนึ่งอย่างสมกับน้ำหนักกรรมที่เขาทำไว้เช่นกันและความชั่วของเขานั้นยังเป็นเหมือนเชื้อโรคที่คอยฉุดให้จิตใจลงต่ำและให้ทำชั่วมากขึ้นได้ง่ายสำหรับคนที่เข้าใจเวรกรรมระดับหนึ่งบางคนเคยชั่วมามากก็พยายามทำบุญเพื่อหนีเวรกรรมนั่นก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าอันดับแรกต้องหยุดทำชั่วและรักษาศีลให้ได้ก่อนและบุญที่จะเหนือกรรมเก่าหรือเรียกให้เข้าใจง่ายว่าแก้กรรมนั้นคือบุญจากศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่การถวายเงินหรือใช้เงินซื้อบุญอย่างที่กำลังเพียรทำกันซึ่งทานนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและก็บรรเทากมไดระดับหนึ่งแต่ผลแห่งกรรมนั้นมีหลายประเภทก็ต้องแยกแยะทาบุญให้ตรงด้าน การบริจาคให้ทานนั้นจะส่งผลดีกับคนที่เคยช่อโกงหรือเคยขโมยของเข้ามาแต่ก็ต้องเป็นการใช้เงินบริสุทธิ์ที่หามาได้ด้วยลําแข้งด้วยความเหนื่อยยากของตนเองและบริจาค ก, กับเนื้อนาบุญหรือคนดีมีศีลอันนี้ทรงที่จะเกิดขึ้นก็ย่อมบรรเทาความสิบหายของสมบัติของตัวเองได้จริงแต่บางครั้งก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตัวคูณแห่งผลของบาปบุญนั้นหรือระยะเวลาและความทุกข์ของแต่ละคน หรือจำนวนคนที่จะรับอยู่นั้นถ้าจะบรรเทากรรมด้านนี้ได้จริงก็ต้องทําบุญมากกว่าบาปที่เคยทําซึ่งอาจจะเป็นหลายร้อยหลายพันหลายแสนเท่ากว่าที่จะบรรเทาได้ระดับหนึ่งลองคิดดูนะครับว่าการโกงเงินหลวงนั้นก็เท่ากับโกงเงินของคนทั้งประเทศหลายล้านคนและในหลายล้านคนนั้นก็มีทั้งพระทั้งผู้ทรงศีลแค่โกงเงินคนมีศีลคนเดียวอาจต้องชดใช้เป็นล้านเท่า และลองคิดดูนะครับว่าโกงเงินคนทั้งประเทศเช่นการเลี่ยงภาษีนั้นจะต้องรับผลแค่ไหนหลายคนที่พยายามทำบุญแก้กรรมแล้วรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ไปไหนนั้นก็เพราะเคยทากรรมกับคนหมู่มากไว้แบบนี้ซึ่งต้องใช้เวลาและความเพียรในการชดใช้กรรมอย่างยาวนานกลับกันจะทําทดีกับคนหมู่มากไวมากก็เสวยสุขยาวนานเช่นกันแม้ชาติหนึ่ง จะเกิดมาเป็นมิจฉาทิฏฐิ ท, ทาชั่วผลแห่งกรรมเก่าก็ยังคอยส่งให้อยู่เสมอแต่หมดบุญเมื่อไหร่ก็จะโดนกรรมเล่นงานหนักกว่าเดิมหลายเท่านะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบุญจากศีลสมาธิปัญญาจึงแก้กรรมได้ดีกว่าเพราะเป็นการพัฒนาจิตให้หยุดเพิ่มบาปก่อนและสมาธิกับปัญญานั้นจะทาให้อยู่ในทุกได้โดยไม่ทุก แม้ว่ากรรมเก่ากำลังเล่นงานอยู่ก็ตามอย่างที่บอกนะครับกรรมบางอย่างนั้นให้ผลยาวนานและยากจะหลีกเลี่ยงได้แต่ก็สามารถบรรเทาสำหรับคนที่เคยก่อกรรมทางด้านทำร้ายหรือฆ่าเป็นปานาติบาตมานั้นการใช้เงินบริสุทธิ์สร้างโรงพยาบาลทำกองทุนรักษาพระรักษาคนจนสนับสนุนมู ล, ลนิธิกู้ภัยต่างๆถวายค่าเลือดค่ายาในโรงพยาบาลสงเป็นต้น การทำบุญที่ช่วยต่อชีวิตผู้อื่นพลังชีวิตยอมส่งลดบาปที่เคยฆ่าเคยทำร้ายคนอื่นไว้ได้จริงซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีไปว่าเคยทำบาปอะไรไว้ก็ต้องทำบุญให้ตรงด้านกันด้วยยกเว้นกรรมเก่าหนักจริงก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ก็เจอบรรเทาให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่ทุกหนักเมื่อต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นนะครับย้าว่าต้องเลิกทาชั่วก่อน สำนึกในบาปเก่าก่อนตั้งใจจะไม่ทําผิด <g arden> อีกแล้วและรักษาสินให้ได้ก่อนแม้ยังไม่ครบก็เอาให้บริสุทธิ์ไปทีละข้อเท่าที่ทําได้ก่อนแล้วเงินที่ทําบุญ <g arden> ต้องเป็นเงินบริสุทธิ์ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราเองเท่านั้นนะครับการเชื่อว่าความผิด ท, ที่ทําไว้ไม่สามารถบรรเทาแก้ไขได้ถือเป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนและทรงเปรียบเทียบเหมือนเกลือที่ละลายน้ํา เมื่อน้ำมากพอก็จะไม่รู้สึกถึงความเค็มแม้จะมีเกลืออยู่ก็ตามที่บอกว่าคนเรานี้กรรมไม่พ้นก็ถูกต้องแต่ก็ต้องรู้ว่ามันลดโทษบรรเทาหรือทำให้สิ้นกรรมได้เพียงแต่ต้องทำให้ถูกวิธีเท่านั้นซึ่งบางกรณีอย่างพระอรหันต์กรรมบางอย่างก็ไม่ให้ผลก่อนท่านสิ้นชีวิตเพราะไม่มีโอกาสให้ผลอีกแล้วอันนั้นเป็นข้อยกเวน้นที่ควรเข้าใจว่า ถ้าถึงเวลานั้นถ้าเราบรรลุอรหันต์ได้จริงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไร้ซึ่งความทุกข์แล้วจึงไม่ควรนำมาเป็นตัวอย่างสอนคนทั่วไปหรือคนมาใหม่เพิ่งเริ่มศึกษาธรรมเราบางทีทำให้เข้าใจผิดและพากันคิดว่าแค่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จะอดทนทำดีให้ลำบากไปทำไมก็เสพสุขให้พอในชาตินี้ตอนนี้ก่อนชาติหน้าหรืออนาคตช่างมันซึ่งก็ส่งผลเสียหายอย่างหนักแก่พวกเขาครับ ธรรมะมีหลายระดับการยกอารมณ์หรือกรณีของพระอรหันต์มาเปรียบเทียบเพื่อสอนคนทั่วไปนั้นบางทีก็อาจส่งผลเสียมากกว่าที่คิดซึ่งก็คล้ายกับอาวิชาเคมีมาสอนเด็กอนุบาล